สัญญาเนี่ยนะสังเกตอีกนยัยหนึ่งก็เช่นกามสัญญาอย่างเงี้ยนะพยาแมโคถลกหนังอ่ะนะแม่โ ค, นะโคที่ถลกหนังภาษาในทวารทั้งหกภาษาก็เป็นสังขารขันเจตนาในอารมณ์นะนะการมสัญญาเป็นเหตุให้เกิดการมวิตตกการมวิตตกก็เป็นเหตุให้อะไรวิตตกมากๆพูดเลยคนเนี่ยคิดอะไรมากก็จะพูดตามนั้นแหละ อย่าลืมว่าสัญญากับวิตกเป็นอัญยสมนาเจตสิกเหมือนกันเกิดพร้อมกันส่วนสังขาร น, นั้นนะได้แก่เจตนาเป็นต้นผัสสะหรือเจตนาผัสสะนี้เรียกว่าธรรมะสามอย่างประชุมกันเรียกว่าผัสสะนะผัสสะนี้พระองค์บอกว่าเพิ่งเห็นเหมือนกับแม่โคถลกหนังนะแม่โคที่ถลกหนังผัสสะในทวารทั้งหก ภาษ า, า, า, าปปก็เป็นสังขารขันเจตนาในอารมหกเนี่ยนะรูปประสันเจตนาเป็นต้นเจตนาก็เป็นสังขารขันเนี่ยนะถ้าหากว่าตระกูลอัญยสมนาแต่ถ้าหากว่าพวกอกุศลเจตสิกทั้งหมดเป็นนะในตระกูลอกุศลเจตสิกนะเป็นสังขารขันกุศลเจตสิกทั้งหมดก็เป็นสังขารขันเหมือนกัน นถนัดเจตสิกดวงไหนก็เอาเถอะแต่เอาให้ปรากฏทั้งหมดเนี่ยนะครับดูเวลาแล้วมามันยาวเรื่องยาวอันถ้ามีโอกาสก็ได้สนทนากันต่อไปนะวันนี้ก็คงจะใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้แต่ก็นับว่าเป็นของที่ละเอียดละออเป็นของที่ลึกซึ้งของที่ละเอียดละออลึกซึ้งให้ง่ายๆเอาไหมถ้าได้ง่ายเราก็ไม่เห็นคุณค่าอีกนั่นแหละแต่ถ้ายากเกินไปอีก ก็เอาไม่ได้เองนั่นแหละนันเรียกว่าความเหมาะสมของสิ่งนั้นนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างนั้นแลยเขาบอกว่าของดีราคายุติธรรมเาว่างั้นเขาเรียกว่าเหมาะสมแก่ของอันนั้น น, นนะถ้าหาว่ามันราคาถูกเกินไปก็แสดงว่าโหลคือทำทีผลิตทีเยอะๆแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระองค์นี้กว่าจะมีขึ้นกว่าจะอุบัติ ตรัสรู้เป็นพระตถาคตอรหันตสำ ม, มาสัมพุทธเจ้าแต่ละองค์นี่ไม่ใช่ของง่นายนั่นกว่าจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกหนึ่งองค์ <c oughs> แล้วพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นกว่าจะบำเพ็ญบารมีก็ไม่ใช่ของง่ายก็นับว่าเป็นของยากนีนขนาดท่านประสบความสำเร็จแล้วนะ เรามาเรียนรู้ชีวิตของผู้ที่ประสบความสำเร็จบรรลุเป็นพระตะถาคตอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าศึกษาประวัติศึกษาคุณของท่านก็นับว่ายากจะกล่าวไปใหญ่ถึงทมคุณเหล่านั้นให้เกิดขึ้นในใจของเรานะก็เหมือนกับ เ, เราเข้าใจอะไรสักอย่างหนึ่งก็ว่าแก่ภิกษุทั้งหลายว่า <c oughs> ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านแต่ว่าให้มันเป็นผู้เป็นคนกับเขาสักเพียงไม่ใช่ของง่ายศึกษาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยกว่าจะศึกษาเข้าใจก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปแล้วก็ถ้าหากว่าผู้ที่ตั้งใจสมทานที่จะประพฤติพุทธกาลกะธรรมธรรมที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยไม่ใช่ของง่ายฉนั้นพระองค์นั้น เป็นบุคคลที่กว่าจะเกิดขึ้นในโลกเป็นบุคคลที่เกิดขึ้นได้โดยยาก <c oughs> เพราะฉะนั้นทุกๆวันพระพุทธเจ้าจะให้โอวาดแก่ภิกษุทั้งหลายว่า <c oughs> ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเนี่ยนะอย่าประมาทนะในประโยชน์ตนจงทาประโยชน์ตน ประโยชน์ตนก็คือประโยชน์ในตัวเราวะนะประโยชน์ในตัวเราคืออย่างไรก็คือประโยชน์ที่จะพึงมีขึ้นในโลกนี้ประโยชน์ที่จะพึงมีในโลกหน้าแล้วก็ประโ sí ยชน์อย่างยิ <t ik> <t ik> ่งคนอื่นก็เหมือนกันเขาสมควรที่จะได้รับประโยชน์ในโลกนี้ควรที่จะรับประโยชน์ในโลกหน้าเขาควรที่จะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งคือพนิพานที่เรียกว่าประโยชน์ที่เป็นโลกุตระเพราะฉะนั้นไม่สมควรประมาท ในประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคำว่าไม่ประมาทก็คือไม่ปล่อยใจไปในการมคุณทั้งห้าผู้ที่ปล่อยใจในการมคุณทั้งห้าเรียกว่าประมาทหรือคนที่ทํากุศลก็ไม่สามารถเจริญกุศลได้อย่างต่อเนื่องไปอย่างนี้ก็เรียกว่าคนประมาทเหมือนกัน่นะคนที่ทํากุศลไม่ต่อเนื่องทํากุศลด้วยความไม่เคารพเป็นต้นน่นะชื่อว่าประมาทแล้วฉะนั้นพระองค์จึงสอนว่าอย่าประมาทนะ บางแห่งก็บอกว่าคนที่ประมาทก็คือคนที่ตายแล้วเท่านั้นแหละแ ล, ะแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นภาษาบาลีว่าท ja, ุลพ oh ันจ oh ัมนุสสตังพุทโธปาโทจะทุลโภทุลภาคณาสัมปติสัทธัมโมปรมะทุลโภทุลภาสัทธาสัมปติปปะชาจะทุลภาทุลพันสัทธรรมัสวันังเนี่ยนะเรียกว่าพูดถึงของยากยากว่า น, ja นั้นทุลพันจัหรือว่าทุลภาเนี่ยแปลว่าของยากกว่านั้น อย่างเช่นหนึ่งความเกิดขึ้นเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นของยากนะที่เราได้เป็นมนุษย์เนี่ยยากนะถ้าเราศึกษาเรื่องกรรมให้ดีแล้วนะจะรู้ว่าชีวิตหรืออัตภาพของเราเนี่ยมาจากคนลกรรมคนลกรรมเลยนะผมมาจากกรรมหนึ่งตา ม, มาจากกรรมหนึ่งหูมาจากกรรมหนึ่งจมูกมาจากกรรมหนึ่งลิ้นมาจากกรรมหนึ่ง กายก็มาคนละกรรมเลยกายส่วนหัวก็มากรรมหนึ่งส่วนหน้าส่วนหลังส่วนแขนส่วนขาอวัยวะแต่ละส่วนแต่ละส่วนมันมาคนละกรรมเลยอนยะ่งนั้นอันนี้นี่บุญเก่านะที่มาตกแต่งให้เป็นมนุษย์แล้วอาหารที่เข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายหละอาหารวิตามิน A ถึงแซดนันะ่นแหละเข้ามาบำรุงหล่อเลี้ยงกว่าจะได้เจริญเติบโตขนาดนี้แล้วก็เสื้อผ้าอาภรเครื่องนุ่งหม่มอันนี้รูปประกายนะแล้วนามากายอ่ะ ไปศึกษาไปเกี่ยวข้องไปร่ําไปเรียนน้อยกว่าจะได้มีความไม่เกิดเป็นมนุษย์ในปัจจันตชนบทเป็นกระเรี่ยงเป็นมูเซย์อยู่ในดอยเผาที่ไหนก็ไม่รู้เป็นคนป่าคนดงคนดอยคนเทื่อนก็ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนั้นพหุตั้งมากมายในมัชชิมะอันจึงเป็นของยากอั้นคนถ้าไม่มีบุญจริงๆก็ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ถึงเกิดเป็นมนุษย์อายุก็ไม่ยืนเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์จึงหาได้ยาก แล้วพระองค์ก็บอกว่าความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าก็หาได้ยากความถึงพร้อมด้วยขณะหาได้ยากกันนะถามว่าถึงพร้อมด้วยขณะนี่ขณะอย่างไรคือขณะที่เราไม่เกิดในนรกหนึง่งไม่เกิดในเปรตไม่เกิดในอสุรกายไม่เกิดเป็นมนุษย์ในปัจจันตชนบทเป็นกระเหล่ยงเป็นมูเซอร์อยู่ในดอยเผาที่ไหนก็ไม่รู้ เป็นคนป่าคนดงคนดอยคนเทื่อนก็ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนั้นกว่าจะได้มาเกิดในมัชชิมชนบทในปฏิรูประเทศประเทศที่มีพุทธบริษัทภิกุภิกุณีอุบาสกอุบาสิกาอาศาัยอยู่แล้วเราก็ไม่บ้าไม่บไมบาไม่บอดไม่นวกไม่นไม่เปรี้ยไม่เสียแขนเสียขามีสติปัญญาพอที่จะฟังออกว่าอะไรดีอะไรชั่ว พอที่จะแยกแยะบุญแยกแยะบาปเออนี่ก็ยากนะและมีชีวิตอยู่แต่ละวันก็นับว่าเป็นของยากแล้วก็มีชีวิตอยู่เหล่านี้แล้วพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกพระองค์แสดงธรรมแล้วเราจะได้มีโอกาสได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเนี้ยยากไหมเนี่ยแล้วก็เราขณะเป็นของยากจะ ด, ดูนะถ้าเป็นวิชายอย่างอื่นนี่เขาส่งเสริมส่งเสียกันเอาเป็นล่ําเป็นสันใช่ไหม แต่ศึกษาพระธรรมไม่เป็นอย่างนั้นบางคนเนี่ยนะพ่อบ้านไม่เห็นด้วยเลยที่จะต้องมาฟังธรรมบางคนพ่อบ้านฟังธรรมแม่บ้านไม่เห็นด้วยเลยอันนี้รู้จักเยอะนะไม่ไม่ใช่กลุ่มเราหรอกแต่ว่ายกกลุ่มที่อื่นนะนะว่าเออเป็นอย่างนั้นจริงๆนะพ่อบ้านเนี่ยชอบฟังธรรมจริงๆมีศรัทธามากแม่บ้านไม่เอาด้วยเลยเนี่ยนะกลายเป็นว่าแอนตี้ด้วยไม่เอาอะ่ะทีนี้บางคนเนี่ย แม่บ้านเนี่ยฟังธรรมจังพอบ้านจะเที่ยวยังเนาะมัน <c oughs> คนละอย่างเลยนะท่านกว่าจะได้เหตุได้ปัจจัยพร้อมมีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมคำํำสอนขณะเหล่านี้เป็นของยากนะถ้าขณะเหล่านี้เป็นของยากก็แม่กว่าจะได้แต่สิ่งเหล่านี้เราได้แล้วเนาะแล้วพระองค์ตรัสว่าพระสัรธรรมหาได้ยากอย่างยิ่ง ปริยัติสัจธรรมปฏิบัติสัจธรรมปฏิเวทสัจธรรมสัจธรรมสาม <c oughs> เหล่านี้เป็นของที่หาได้ยากอันนี้ไม่ใช่ยากธรรมดานะยากอย่างยิ่งพระปริยัติธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจะตั้งอยู่ในโลกก็ยากคนที่จะได้ศึกษาเรียนรู้ฟังเข้าใจแล้วปฏิบัติตามก็ยากนะแล้วปฏิบัติตามแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานสิ่งเหล่านี้ก็นับว่าเป็นของยาก คิดว่าได้โดยยากะนะทุ่นเนี่ยแปลว่ายากละภะพแปลว่าได้เป็นสิ่งที่ได้โดยยากแล้วก็ความถึงพร้อมด้วยศรัทธาก็หาได้ไดนะถ้าบวชง่ายเชื่อถามโยมโมตูง่ายวันนี้บวชไปแล้วเนาะมันยากจริงๆเงีาะยนะมันคนที่บวชอยู่แล้วก็อย่าได้กระวนกวายอย่าได้กระสันไปเลยอย่างังี้นคนที่ประสงค์จากบวชก็ไม่ใช่มีน้อยๆแต่ว่าโอกาสมันแรงว่าสะสมมาไม่เบาเหมือนกันนะกว่าจะได้มา แต่มาก็มันเดี๋ยวจะอยู่ได้นานอีกนะั่นแหละมันสิ่งเหล่านี้เป็นของยากจริงๆนะพูดเรายากก็ยากนะข้าวหม้อเดียวมก็ายากนะั่นอาจารว่ายากแต่ว่านับว่าถ้ามีศรัทธาแล้วทําเป็นไปได้ถ้าหากว่าเป็นพระภิกษุแล้วการบวชเนี่ยยากลึกซึ้งกว่านั้นอีกเห็นไหมถ้าเป็นคารวะนะถ้าเป็นพระภิกษุเพิ่มเข้ามาอีกกว่าจะได้บวชนี่ไม่ใช่ของง่ายนะถ้าบวชง่ายเชื่อทํายโยมหมดดู้ ง่ายวันนี้บวชไปแล้วเนาะมันยากจริงๆอ่ะนะมันคนที่บวชอยู่แล้วก็อย่าได้กระวนกระวายอย่าได้กระสันไปเลยว่างั้นคนที่ประสงค์จากบวชก็ไม่ใช่มีน้อยๆแต่ว่าโอกาสมันหายากว่างั้นแล้วก็การฟังพระสัทธรรมก็หาในยากพระสัธรรมนี่ฟังยากนะกว่าจะได้มีโอกาสได้ฟังได้เรียนรู้ไม่ใช่ของง่ายที่ว่าไม่ยากเพราะอะไรกว่าจะมีคนแสดงกว่าจะมีผู้ฟัง กว่าจะมีโอกาสมีสถานที่คนแสดงก็มีแล้วผู้ฟังก็มีแล้วไม่มีที่อีกอปัจจัยมันเยอะนะแล้วก็สถานที่บางทีก็มีคลื่นมีอะไรรบกวนเยอะแยะไปหมดเลยแต่ละอย่างแต่ละอย่างเหล่านี้ไม่ใช่ของง่ายเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ผ่านไปเฉยๆเพราะคนที่ปล่อยให้ขณะเหล่านี้ผ่านไปเฉยๆ อบายเนี่ยเยอะแล้วอยู่แล้วเราไม่ไม่ไปสักคนเนึ่ยก็คงไม่พร่องมั่งเนาะถ้าเราไม่ไปเกิดเป็นยุงนี่ยุยงจะลดไปเยอะไหมไม่ได้ลดอะไรท่านไหนหรอ ก, กเยอะอยู่นั่นแหละฉะนั้นสัตว์ในอบายเนี่ยเยอะจริงๆอบายนะรกเปรตสุรกายเนี่ยไปง่ายไปไม่ยากถามว่าเหตุที่ไปสู่อบายคืออะไรก็โลภะโทสะโมหะที่อยู่ในจิตนั่นแหละเป็นเหตุให้ไปสู่อบาย แล้วธรรมะที่เป็นเหตุให้ละอบายล่ะอโลภะอโทสะอโมหะนั่นแหละท่้นการศึกษาพระธรรมคําสอนก็เพื่ออะไรเพื่อกาจัดโลภะกาจัดโทสะและกาจัดโมหะกาจัดอวิชากาจัดความไม่รู้แต่ทีนี้กว่าจะเป็นแบบนั้นก็ต้องศึกษาในคุณของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจเมื่อเข้าใจคุณของพระองค์ก็จะมีใจสงบเยือบเย็นที่จะศึกษาคาสอนของท่าน เมื่อศึกษาคำสอนได้มากเท่าไรเริ่มมีการเอาไปใคร้ครวนปลายตรองแล้วปฏิบัติตามก็สามารถที่จะเข้าถึงอริยธรรมได้พระพุทธเจ้าของเรานี้ก็จะโอว่าตักเตือนพระภิกษุอย่างในทุกวันทุกวันทุกวันว่าเั้นอย่าได้ประมาทนะได้ดีแล้วนะได้ดีแล้วอย่าปล่อยนะว่า ง, งั้น ของเราก็เหมือนกันนะมีศรัทธานในพระตรัสใจขนาดนี้แล้วก็อย่าปล่อยอย่าให้โอกาสเหล่านี้ผ่านไปเลยถึงเราไม่ได้มาที่วัดอยู่ที่บ้านก็ควรที่จะควนขวายศึกษาเพราะว่าเวลาทีส่สูญเสียไปแต่ละวันนี้บวกอะไรไปด้วยรู้ไหมนะเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันเนี้บวกชีวิตเราเข้าไปด้วยก็เรานั่นแหละรับ แต่ถามว่าบางคนก็เอ้าบาปมันก็หมดไปแล้วอะ่ะทีนี้การทำบุญทำบาปมันก็เหมือนกับเราเรียนหนังสือสมัยเด็กๆกันนะไปอีกปีหนึ่งการเรียนหนังสือสมัยผ่านไป1ิปี20่สิบส0มสี่สิบห้าสิบปีชีวิตของเราก็เสียไปทุกปีทุกปีทุกปีไปมันชีวิตที่ศูญย์เสียไปเนี่ยนะ ทุกอย่างที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเจตนาของเราก็เป็นไปกับบุญเป็นไปกับบาปเพราะฉะนั้นเสียไม่ได้เสียเปล่าบางทีเสียบุญด้วยนะเสียบุญก็เลยกลายเป็นอะบุญเป็นบาปไปเลยถ้าเป็นบาปเนี่ยนะใครจะไปรับละ่ะทำเหตุไว้ใครจะรับก็เรานั่นแหละรับแต่ถามว่าบางคนก็เอา้าบาปมันก็หมดไปแล้วอะ่ะทีนี้ การทำบุญทำบาปมันก็เหมือนกับเราเรียนหนังสือสมัยเด็กๆ ก, กันนะถามว่าการเรียนหนังสือสมัยเด็กๆมันเกี่ยวเนื่องไหมกับชีวิตของเราในขณะนี้เกี่ยวเนื่องนะถามว่าไอการเรียนตอนเด็กกับตอนนี้อันเดียวกันไหมข้อโคละอันจะว่าคนละอันโดยสิ้นเชิงก็ไม่ใช่เพราะเป็นเหตุเป็นผลสืบเนื่องกันมานันชีวิตของเราที่ผ่านไปแต่ละวันที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องก็นับว่าเป็นเหตุเป็นผลอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเราไม่ควรปล่อยให้ขณะเหล่านี้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ถ้าพูดไปแล้วเรานี้เป็นคนมีสารณะนะเราเป็นผู้เป็นคนมีที่พึ่งมีสารณะมีที่พึ่งฮัลสารณะที่เป็นที่พึ่งของเราก็คือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของท่านภาษาวกที่ปฏิบัติบรรลุอริยมรรคอริยผลก็เป็นเยี่ยงอย่างแกเรา อันเราก็นับว่าเป็นคนไม่กําพระทางความคิดเนี่ยนะเตียงแต่ว่าปัญหาว่าเราปล่อยปละละเลยจากพระองค์ไหมเท่านั้นเองเราพระพุทธเจ้านี่ให้โอกาสเราเต็มที่แล้วละ่ะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมมากมายจริงๆเอาไว้ให้ก็ถือว่าเปิดโอกาสให้เราเต็มที่แล้วเราเปิดโอกาสให้แก่ตัวเองขนาดไหนที่จะศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระองค์ท่านสังเกตดูนะ รรมาที่นี่เนี่ยถ้าเฉพาะส่วนตัวของอามาเนี่ยพยายามเหลือเกินที่จะดึงเราทั้งหลายให้มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะจริงๆศึกษาคุณของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจศึกษายากบ้างก็นับว่าเป็นของธรรมดาเพราะว่าไม่ใช่พระองค์ไม่ใช่เป็นบุคคลโละๆเกิดมาทีสองแฝดสแฝดหไม่ใช่พระพุทธเจ้าเนี่ยกว่าจะอุบัติตรัสรู้ขึ้นมาแต่และองค์ไม่ใช่ของง่ายไม่มีแฝดด้วยนะบำเพ็ญบารมี พันธ์ของเราก็ปรับลื้มในลาบลาบแลว่าการได้นะการที่เราได้มีศรัทธาในพระองค์ท่านได้มีโอกาสใน้ศึกษาเรียนรู้คุณของพระองค์ท่านเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นบุคคลที่มีการุณาเปี่ยมล้นต่อสัตว์ทั้งหลายอับของลูกที่จะมีต่อไปในอนาคตพระพุทธเจ้าก็ลักษณะนั้นแหละ พระองค์นี้ก็จะเจริญกรุณาในสัตว์ทั้งหลายมองเห็นสัตว์ทั้งหลายที่เดินไปผิดทางตกกังวลจะไหเอ๊ลูกเห็นสัตว์ทั้งหลายที่มีช่องทางใดไหมที่จะช่วยเขาอ่ะกะรุณาใช่ไหมพ่อแม่เนี่ยกรุณามีช่องทางอย่างอื่นไหมที่จะช่วยเขาบางคนเนี่ยลูกตั้งแต่เล็กๆมองชีวิตอนาคตของลูกจะต้องส่งเสียลูกเรียนอย่างนั้นอย่างนี้จบมาแล้วต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้มองชีวิตเผื่อลูกไปหมดเลย ด้วยความกรุณาสงสารลูกถ้าหากว่าลูกไม่เป็นไปตามนั้นมองว่าลูกทุกข์แน่นะมองเห็นความทุกข์ความกันดานความอับผาบของลูกที่จะมีต่อไปในอนาคตพระพุทธเจ้าก็ลักษณะนั้นแหละพระองค์นี้ก็จะเจริญการุณาในสัตว์ทั้งหลายมองเห็นสัตว์ทั้งหลายที่เดินไปผิดทางมองเห็นสัตว์ทั้งหลายที่กำลังตกทุกข์ได้ยากอยู่ อันพระองค์ก็เจริญกรุณาไปในสัตว์ทั้งหลายแล้วพระองค์ก็ตรวจตราดูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะตรวจตราใข ค, ครวนไต่ตรองว่าพระองค์นี้จะไปโปรดใครจะไปสงเคราะห์ใครเพราะก่อนที่พระองค์จะสงเคราะห์สัตว์เนี่ยพระองค์แยกแยะสัตว์ได้เป็นอย่างดี ใคร้ า, ากับพ่อแม่ที่ฉลาดเนี่ยนะเลี้ยงลูกมาเยอะเนี่ยมองออกเลยลูกคนไหนเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงแล้วควรจะช่วยจะช่วยลูกคนไหนก่อนลูกคนไหนจะได้ดีลูกแต่ละคนควรจะช่วยเหลือควรจะเกื้อกูลเขาอย่างไรแม่พูดอย่างก็มีลูกนะนะไม่มีหรอกเห็นเห็นเขาอ่ะนะเห็นเขาเออพ่อแม่แต่ละคนเนี่ยเอาเป็นอย่างั้นจริงๆได้ตัวอย่างมาแต่ไม่เคยมีลูก เ, เล่าให้ฟังนั้น พระองค์ก็ลักษณะนั้นน่ะคอยสอดส่องใครมีบุญก็ไปสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์เขาไกลขนาดไหนพระองค์ก็ไปห่างเป็นพันโย์พระองค์ก็ไปไปเพื่อที่จะสงเคราะห์เขาต่างจั ก, กรวาลพระองค์ก็ไปถ้าหากว่าเขาเป็นคนมีบุญพอที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเพราะฉะนั้นในเวลาส่วนที่สามแห่งราตรีเนี่ยนะก่อนจะสว่างพระองค์เนี่ยจะเสด็จลุกขึ้นประทับนั่ง แล้วส่งใช้พุทธจักรสุตรวจดูสัตว์โลกเพื่อเล็งเห็นบุคคลผู้สร้างสมบุญญาธิการไว้ฉันคนที่พระพุทธเจ้าจะโประโจะสงเคราะห์นั้นคนนั้นจะต้องมีบุญที่ทำไว้แล้วพระองค์จึงจะไปสงเคราะห์เขาถ้าคนไม่มีบุญจะไปสงเคราะห์เอาอะไรนะก็บอกว่าถ้าเราจะแจกน้ำเนี่ยนะกับคนไม่มีภาชนะเอาไหม เอาน้ําไปโถใหญ่เลยใช่ไหมเอารถน้ําไปแจกเที่ยวแจกน้ําชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านไม่มีภาชนะรองรับน้ําจะไปแจกเขาทํำยังไงอั้นในชั้นต้นเลยก็ต้องไปทําภาชนะให้เขาก่อนแล้วค่อยเอาน้ําไปแจกตอนนี้พระพุทธเจ้า น, นี่ก็เอาน้ําอมตะทิพย์เนี่ยนะไปแจกพระองค์ก็เล็งดูก่อนว่าใครมีภาชนะพอที่จะรองรับน้ําได้หรือเปล่าฉนั้นพระองค์เวลาจะสงเ ค, คราะห์อนุเคราะห์สัตว์นั้นก็ตรวจดูก่อนเลยว่าใครมีบุญ พอที่จะรองรับพระธรรมมเทศนาของพระองค์สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้นะฮนั้นคนเหล่านั้นก็ต้องสะสมบุญไว้แต่ปางก่อนถ้าพูดง่ายๆเนี่ยอย่างพวกเรามาอย่างเงี้ยถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาพระธรรมคําสอนมาบ้างก่อนหน้านี้จะมาฟังอย่างนี้เข้าใจไหมมันก็ไม่เใ็่ของง่ายนะเพสะสมมาพอสมควรนะจึงจะได้มาฟังเรียนรู้สิ่งเหล่านี้พอได้นะฮั้นพระองค์เวลาสง่งคราะอนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายก็รักพรมแล้วว่า ดูก่อนพร้อมเราเปิดประตูอมาตะนิพพานแล้วเมื่อสัตว์ทั้งหลายผู้มีโสดจงปล่อยศรัทธามาเถิดเราสําคัญก่อนอนี่ เ, เรียกว่านี้ เ, เรียกว่ากิจในปัจฉิมยามเป็นหน้าที่ของพระองค์เลยนะที่จะต้องตรวจ ด, ดูสัตว์เออเขากําลังตกทุกข์ได้ยากอย่างไรจะไปช่วยเขาอย่างไรไปเกื้อกูลเขาอย่างไรเหมือนพระองค์ไปสงเคราะห์พระองค์โคลิมานเป็นต้นนั่นเองฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้น พอพระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระองค์ก็มีใจน้อมไปเพื่อสงเคราะห์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายใช่อย่างที่พระองค์ได้ตรัสกัดเท้ามาหาพรหมแล้วว่าดูก่อนพรหมเราเปิดประตูอมะตะนิพพานแล้วเมื่อสัตว์ทั้งหลายผู้มีโสดจงปล่อยศรัทธามาเถิด เราสำคัญว่าลำบากจึงไม่กล่าวธรรมะอันคล่องแคล่วประนีตในหมู่มนุษย์ทั้งหลายนั่นพระองค์ก็คือรับ